น, นี้ก็รับสินไปแล้วนะพระพุทธเจ้ า, าก็บอกว่าทำบุญเนี่ยมีสามอย่างรักษาสีลก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทานให้ทานให้ทานก็คือแต่วันนี้ปารบมีการถวายพระตาหารด้วยก็เป็นการให้ทานใช่ไหมให้ทานรักษาสีลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาวนาภาวนาก็แปลว่า เจริญอะไรให้มันเจริญขึ้นก็คือว่าจิตใจเราเนี่ยแหละคำว่าเจริญจิตใจเจริญก็คือจิตใจที่มันมีความสุขมากขึ้นใช่แต่ถ้าจิตใจที่มันไม่เจริญก็คือจิตใจเรามันก็มีความทุกข์มีความขุ่นบัวมีความไม่สบายอกไม่สบายใจแต่ถ้าในทํานองกลับกันก็คือใจเรามีความป่องใสเยือกเย็นเบิกบานช่มชื่นอย่างนี้ก็คือมันก็เจริญขึ้นใ่ จากสิ่งที่มันไม่ดีเป็นความดีเกิดขึ้นแล้วถ้ามันจเจริญมากขึ้นเนี่ยก็คือเราก็มีเมตตาให้กับคนอื่นได้มีการให้ทานได้มีการเสียสละได้แล้วก็ทำความสงบใจทำความผ่องใสในใจทำความสุขในใจให้มันมีมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอีกได้อีอันนี้ก็เป็นการภาวนาซึ่ง การภาวนาเนี่ยมันก็มันเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะบอกว่าเป็นเรื่องของจิตใจแล้วจิตใจหน้าตามันเป็นยังไงมันก็พูดยากเพราะว่ามันเป็นนามธรรมแต่การที่เราจะเอานามธรรมมาคุยกันเนี่ยมันก็คุยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะต้องพูดถึงว่าการฝึกเนี่ยพอมันไม่มีหน้าตาไม่มีรูปร่างที่เราจะจับต้องแล้วคุยกันได้แบบชัดเจนพันธุนีเนี่ยมันก็ ทำให้มันยากขึ้นระดับหนึ่งแต่แน่นอนว่าทุกคนก็มีจิตใจใช่ไหมเราก็รู้สึกได้ถึงความความสุขได้ในใจของเราอารมณ์ในใจเราเป็นยังไงเราก็รู้สึกได้ซึ่งมันจับต้องไม่ได้หรอกคุยกันให้พอเข้าใจได้แต่มันก็เป็นอะไรที่มันสัมผัสได้ด้วยใจของเราเองก็เป็นส่วนนามธรรมซึ่งนามธรรมทั้งหลายอย่างเช่นความโกรธความเกลีย ด, ค ว, ดความเมตตมีเมตตา เหานี้เนี่ยมันก็สัมผัสที่ใจของเราใช่ไหมเพราะมันเป็นอย่างนั้นเพิ่มเนี่ยหมือนกับจะไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาแต่มันก็สัมผัสได้ตัวใจของเราอีกทีนี้พอพูดถึงใจความสุขทางใจมันก็จะมีอันหนึ่งเรียกว่าร่างกายของเรารเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยสองอย่างก็คือร่างกายอันหนึ่งใช่ไหมจิตใจอันหนึ่งพอเราพูดถึงความสุขความทุกข์ของคนเราเพิ่มมันก็เลยตูก แฝ่ายไปอีกสองอย่างก็คือว่าเป็นความสุขความทุกข์ทางกายฝ่ายหนึ่งแล้วก็ความสุขความทุกข์ทางใจฝ่ายหนึ่งทีนี้ค่าความสุขในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เลยเป็นค่าเฉลี่ยของความสุขความทุกข์ทางกายกับความสุขความทุกข์ทางใจที่มันเป็นเป็นผลรวม มารวมกันปุ๊บเราก็จะสรุปได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรามีความสุขดีไหมหรือว่าเรามีความทุกข์มากกว่าแต่ทีนี้ไอความสุขความทุกข์ทางกายกับความสุขความทุกข์ทางใจเนี่ยเขาเรียกว่าพ i ริตี้มันก็ไม่เท่ากันพาริตี้ไม่เท่ากันมันก็ทำให้อันไหนเนี่ยที่มันมีพาริตี้ของค่าความสุขความทุกข์ที่มันมากกว่าคนโบราณเขาก็ มีคำปรบเ ป, เปเลยเอาไว้นะที่ว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากใช่ไหมเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ชี้ให้เราเห็นอะไรมันชี้ให้เราเห็นว่าเรื่องของใจนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีน้ำหนักมากมากกว่าเรื่องทางกายอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะไม่ได้กินข้าวตอนเช้าเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกมีความหิวอยู่บ้าง วความหิวมาปึ๊บเราก็อาจจะรู้สึกหุดหงิดบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่การที่ความหิวทำให้เราหงิดอยู่บ้างแต่เราก็มีความเชยเชยดังอย่างเช่นวันนี้เรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเรามีความเช่มชื่นเบิก บ, บานเกิดขึ้นอยู่ในใจเียเพราะฉะนั้นความทุกข์จากการที่เราหิวข้าวนะมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กลงไปเพราะนั้นค่าผลรวมความสุขเราก็สรุปได้ ว, ว่า มันก็มีความสุขมากกว่าความทุกแน่นอนแหละมันจะไม่มีแบบว่าสุขร้อยเปอร์เซ็นหรือทุกหนึ่งร้อยเปอร์เซ0นแต่มันก็จะมีว่าถ้าความสุขสัด ส, ส่วนน่ะมันมากกว่าความทุกเราก็จะสรุปมันว่าเออชีวิตช่วงนี้เราก็มีความสุขดีแต่ถ้าสัด ส, ส่วนในชีวิตของเรามันมีทุกมากกว่าความสุขเนี่ยเราก็จะสรุปว่าเออช่วงนี้เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ความทุกข์กายอันหนึ่งแต่เรามีความสุขใจมาชดเชยเนี่ยมันก็จะทําให้เราสรุปกับตัวเองได้ว่าเออมันก็พอไปได้แต่ถ้าเกิดเรากินอิ่มนอนหลับดีร้อนเราก็อยู่ในห้องแอร์แบบนี้แต่เราก็ยังรู้สึกแบบไม่เป็นปะยู่เรายังรู้สึกหมุนหงิดเรายังรู้สึกฟุ้งซ่านหรือว่ามีความเครียดที่มันปัญหารุมเรา้เรายังเครียดอยู่ยังฝังหัวยังติดอยู่ในใจอยู่อย่างเงี้ย ถึงมัไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์ทรามานทางด้างร่างกายอย่างเงี้ยแต่เราก็แน่นอนผลรวมของความทุกข์มันก็มากกว่าความสุขเพราะฉะนั้นมันจึงชี้ให้เห็นว่าไ อ, อ้เรื่องของใจเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นสุขทุกข์สําคัญของเราเพราะนั้นการที่เราบริหารจัดการความสุขความทุกข์เกี่ยวกับจิตใจของเราได้เนี่ยมันก็ทําให้คุณภาพความสุขความทุกข์ของของชีวิตเราเนี่ย รับการบริหารจัดการได้ดีเพราะฉะนั้นเราบอกว่าความสุขความทุกข์ของจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องสาคัญของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องารู้จักหน้าตาของจิตใจสะหน่อยหนึ่งว่าไอ้จิตใจเนี่ยมันมันเป็นลักษณะอย่างไรนะอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่แล้วว่ามันเป็นนามนธรรมอะเอามือไปจับก็ไม่ได้เอาตาไปดูก็ไม่เห็นแต่แน่นอนมันอยู่กับความรู้สึกได้ด้วยใจของเรา แต่โดยทุกวันนี้เราก็รู้สึกอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีพลังอำนาจในการควบคุมบริหารจัดการมันได้ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้วิธีที่เราจะหาความสุขความทุกเนี่ยมันหาจากใจโดยตรงเนี่ยลำบากนิดหนึ่งเราก็เลยไปหาความสุขความทุกเนี่ยจากข้างนอกก่อนอย่างเช่นเราไปหาความสุขจากการดูหนัง หาความสุขจากการไปกินของอร่อยร้านนั้นร้านนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะหวังว่าเราไปทำแล้วเนี่ยเราได้อารมณ์ที่น่าพอใจจากการไปดูหนังก็ดีจากการที่เราไปกินอาหารร้านดีๆก็ดีเพราะมันถูกใจปึ๊บเนี่ยเราก็ได้รับความสุขเพราะนั้นมันเป็นการหาแบบสองทอดนะหาจากข้างนอกเพื่อจีจะเปลี่ยนจากข้างนอก มาเป็นอารมณ์ที่เราพอใจพอเราได้รับอารมณ์ที่น่าพอใจเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละเรามีความสุขเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันก็หาความสุขแบบต้องต้องพึ่งข้างนอกก่อนพึ่งข้างนอกเพื่อจะให้มีความสุขทางใจต้องพึ่งเพื่อนพึ่ ง, งคนรักพึ่งข้าวของต่างๆเพื่อที่จะมา เรียกว่ามันจะเปลี่ยนจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์ที่เราพอใจพอเราได้รับอารมณ์ที่น่าพอใจจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขเป็นเป็นผลก็เลยต้องพึ่งข้างนอกอ่ะแต่เราจําเป็นต้องพึ่งข้างนอกไหมบางทีมันก็จําเป็นอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้จําเป็นทั้งหมดนะเพราะว่าเพื่อนก็ดีแฟนก็ดีครอบครัวก็ดี หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราก็ควบคุมมันได้บ้างแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้บ้างคือมันไม่ได้อยู่ภายใต้ใตการวังคับบัญชาเราหนึ่งร้อยเปร์เซ็เ็ราบอกว่าเฮ้ยต่อไปหาเพื่อนเดี๋ยวกลางวันนี้ไปหาอะไรกินกันหน่อยไปเจอร้านเด็ดๆมายอยากไปแต่พอเพื่อนบอกเอ้ยไม่ว่า พอไม่ว่างปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่พอใจเกิดขึ้นและ ว, ว่าพี่เราอยากไปร้านนี้แต่เพื่อนไม่ไปสิ่งที่มันได้กลับมาคืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก่อนแหละเพราะเพื่อนปฏิเสธมันก็เป็นความทุกข์อยู่ในใจของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอเรื่องข้างนอกเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปว่าถ้าเพื่อนตอบตอบ ต, ตกลงมันก็ไปได้เราก็มีความสุขแต่มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้หนึรเปเเต็ม ก็เลยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยที่เราอยากหาความสุขในลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยมันเป็นความความเสี่ยงในชีวิตของเราในเรื่องความสุขความทุกข์เพราะว่ามันมีหลายหลา ย, หลายเหตุปัจจัยที่เราควบคุบได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะนั้นถ้าเรามาหามันตรงๆจากจิตใจของเราเองได้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกใช่เพราะนั้นการที่เรารู้ว่า ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจอันหนึ่งและมันก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอันหนึ่งใช่ไหมพอเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่พอใจเราก็มีความสุขพอเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเราก็มีความทุกข์เกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามาดูที่ใจของเราเนี่ยว่าถ้ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็ซุ้มเสียง นี่ระเจาก็เลยจึงเสนอว่าถ้าเรามารู้จักกับจิตใจให้มันดีขึ้นปริหารมันดีขึ้นเนี่ยมันจะลดทอนความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้เราไม่ต้องพึ่งข้างนอกนะเพราะว่ามันมีความสุขอีกประเภทหนึ่งในความสุขแบบเก่าอ่ะที่เราใช้เนี่ยเราเรียกว่าความสุขที่ได้จากตาหูจมกูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เป็นความสุขข้างนอกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีความสุขอีกประเภทหนึ่งดนะ้ที่เราไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส น, นะไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาอยู่ในตัวของเราเองนี่แหละไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองลองให้ใจของเราเนี่ยมีเครื่องอยู่สักอันนึงกับตัวเองแล้วดูซิว่ามันมีผลความสุขกับความทุกข์ในใจของเราอย่างไร ก็เหมือนตอนที่เราได้ยินได้ฟังในพุทธประวัติอะที่ว่าการที่พระพุทธจเจ้าทรงทำความเพียนประกอบความเพียนเพื่อจะแสวงหาโมฆะธรรมเนี่ยท่านก็ได้ทดลองหลายๆอย่างจนสุดท้ายก็เลิกและทางด้านสุดต่งเกี่ยวกับการทรมานตนก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางอะมันไม่ใช่ทําให้จิตใจของเราเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้น ทำไปโดยหวังว่ามันจะมีความสุขแต่มันก็ไม่ได้มีความสุขจริงก็เลยเนลึกย้อนกลับไปตอนที่พระองค์เนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นใต้ต้นว่าสมัยตอนเด็กนะก็นั่งเข้าสมาธิกําหนดดูลมหายใจแล้วก็ใจก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจอยู่ได้พอจดจ่อต่อเ น, นื่องอยู่กับลมหายใจปุ๊บมันก็มีความสงบ เกิดขึ้นความสมงบนี้เป็นยังไงความสมงบที่ใจเรามันไม่ไปเกาะเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้างนอกเลยแล้วก็มาตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวก็คืออารมณ์ที่เรากําลังจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเราอยู่มันก็ทําให้เห็นว่าเออไอ้ตอนที่ใจเราเนี่ยมันไม่ได้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็ไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆข้างนอกวุ่นตลอดเลย วุ่นคนนั้นทีหนึ่งก็เรื่องหนึ่งพอมาเจออีกคนหนึ่งก็วุ่นอีกเรื่องหนึ่งพอไปได้ยินคนนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งพอคิดไปถึงคนนั้นคนนี้ก็วุ่นไปอีกเรื่องหนึ่งใจก็วุ่นไปไปทางสุขบ้างไปทางทุกข์บ้างส่วนมากมันก็จะวุ่นวายไปแต่พอใจเราได้ผ่าออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกจากความคิดออกจากเสียงต่างๆภายนอกออกจากรูปที่เราได้เห็น จากภายนอกเนี่ยย้อนกลับเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจมันทำให้ใจของเราเนี่ยสบายขึ้นความวุ่นวายที่มันมีมันก็ได้สงบระงับลงไปแล้วความสงบเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนี่แหละที่เขาเรียกว่าความสงบนะสงบอะไรสงบจากความวุ่นวายมาตั้งมั่นอยู่ในภายในในอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าอารมณ์ของการหายใจเราก็ไม่ได้ทาอะไร เราก็มาดูลมหายใจเราหนี่เแหละว่ามันเข้ามันออกมันเป็นอย่างนี้นะแล้วการที่เราไปถ้าแบบเก่าๆอ่ะ เ, เราไปฟังคนคนโน้นคนนี้คุยกันก็อาจจะนินทาคนบ้างคนนี้บ้างใช่เราก็มีอารมณ์ร่วมกับเขาไปด้วยเสียงที่เราได้ยินมันก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ในใจเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์พอใจบ้างอารมณ์น่ามันไส้บ้างเหล่านี้ อารมณ์เราก็เปลี่ยนไปจากที่เราได้ยินที่เราได้เห็นมันก็เปลี่ยนอารมณ์ในใจเราไปเรื่อยๆแต่กับกลายที่เราสลักสิ่งเหล่านั้นออกไปได้ย้อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในใจเราก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่ได้คลอนไปทางบวกนี่แหละไม่ได้คลอนไปทางลบด้วยเพราะ การนี้เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจอยู่ได้เนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าในขณะที่เราอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มีเกลียดไม่มีรักเหล่านี้มันก็เป็นอารมณ์กลางๆย้อนใจที่เราได้ไปอยู่ในแดนบวกก็ดีอยู่ในแดนลบก็ดีเนี่ยย้อนกลับมันมาอยู่ตรงที่ความเป็นกลางตรงศูนย์ค่าที่มันเป็นศูนย์ มันก็ทําให้เห็นว่าใจที่มันกระโดดไปทางบวกก็ดีกระโดดไปทางลบก็ดีเนี่ยมันก็ล้วนแต่ทาให้เราเหนื่อยเหมือนกันนะวิ่งแต่แดนบวกอย่างเดียวก็เหนื่อยถึงวิ่งอยู่ในแดนลบมันไม่ดีอยู่แล้วก็ตามเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่พอเราได้กลับมาอยู่ตรงที่มันเป็นเส้นศูนย์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนที่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเราก็ได้หยุดหยุดเดิน หยุดมาเดินพอรู้จักเดินเสร็จปุ๊บเราก็รู้จักที่จะหยุดหยุดเดินพอรู้จักที่หยุดเดินเราก็ได้นั่งเราก็มีความสบายเกิดขึ้นการที่ใจเราเนี่ยได้หยุดพักจากความคิดจากสิ่งที่เราได้ยินจากสิ่งที่เราเห็นได้กลับมาหยุดอยู่ตรงที่ลมหายใจใจมันก็ได้ชัดพลังนะแต่การที่เรา เราจะบอกว่าอยู่เรืองลบลมหายใจแล้วชาร์จพลังได้อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ไมตรงสัทีเดียวทุกคนเนี่ยมันก็ได้ชาร์จพลังแต่ชาร์จตอนไหนชาร์จตอนที่เราล้มตัวลงนอนนะเพราะการที่เราล้มตัวลงนอนใช่ไหมเราก็ตัดขาดออกจากรูเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนกันแล้วเราก็ได้มาอยู่นิ่งๆกับเหมือนตอนที่เราหลับสนิทน่ เราก็ไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อะไรมันก็ทําให้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ว่างว่างจากอารมณ์อันเก่าเก่ามันก็เหมือนกับว่าเราได้ได้ชาร์จพลังดังนะการที่เราตื่นตื่นขึ้นในยามเช้าเราก็มีความสุขสดชื่นไม่ว่าไม่ใช่สดชื่นทางร่างกายอย่างเดียวนะ่ใจเราก็สดชื่นขึ้นอย่างบางคนมีปัญหาเครียดอยู่พอไปนอนสักตื่นหนึ่ง รู้สึกว่าหลังจากตื่นแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้หมดไปความเครียดมันไม่ได้หมดไปก็จริงแต่พลังมันมีมากขึ้นขึ้นมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราได้หยุดได้หยุดคิดได้หยุดที่เราจะเสพอารมณ์จากภายนอกเนี่ยมันทําให้พลังของใจของเราเนี่ยมันดีเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะหยุดโดยการที่เราไปเข้านอนอย่างเดียวเนี้ยมันก็ยังถือว่า ศักยภาพเรายังไม่เจ๋งจริงเพราะว่าเราอยากจะหยุดตอนที่เราลืมตาเราทำไม่ได้เราอยากจะหยุดตอนที่เรายังยังไม่หลับเนี่ยเรายังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มศักยภาพในการที่เราจะหยุดหยุดใจในระหว่างที่เราลืมตาในระหว่างที่เรายังไม่หลับเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้เติมพลังในระหว่างวันไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะหยุด เพื่อมาเติมพลังได้เนี่ยเครื่องอยู่อย่างเช่นลมหายใจก็จึงจึงเป็นเครื่องอยู่ที่จำเป็นที่เราจะได้หยุดความวุ่นวายจากข้างนอกแต่เราจะหยุดเราจะสลัดความวุ่นวายจากข้างนอกเนี่ยโดยที่เราไม่มีเครื่องอยู่อีกอันหนึ่งเป็นตัวทดแทนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะนั้นเครื่องอยู่ที่ทําให้เราอยู่แล้วเนี่ยไม่วุ่นวายตางข้างนอกไปด้วยเนี่ยก็มีหลายอยา่าง อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือมันนึกพุโทโธ บ, บ่อยๆก็เป็นเครื่องอยู่ที่ดีเป็นเครื่องอยู่ที่ทําให้เรามาอยู่แล้วเนี่ยใจเราไม่วุ่นวายใจเราไม่ประกอบไปด้วยโลภโทสะโมห oh ะใจเราก็จะสบายยิ่งเรานึ่งอย่างที่ต่างเราไปนั่งพักผ่อนหรือว่าเราได้ลาพักร้อนไป ไม่ต้องวุ่นวายกับการงานแล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังฟุ้งซ่านอยู่อันนี้ก็ยังชัดแบบไม่เต็มดียังคิดเรื่องงานยังคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นลาพักร้อนมันก็ยังไม่ค่อยได้มีประสิท ธ, ธิภาพเท่าไหร่แต่ถ้าเราลาพักร้อนคือเราหลีกออกจากเรื่องวุ่นวายข้างนอกแล้วเนี่ยเราก็มีเครื่องอยู่ที่ดีให้ใจก็คือเราไม่กลับไปคิดถึงเรื่องวุ่นวายเราได้หลีกออกจากเรื่องวุ่นวายจริงๆ แล้วใจเราจริตจะได้พักอ่ะแต่ครั้งที่เราจะพักอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องมีเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธก็ดีหรือว่าอยู่กับลมหายใจก็ดีมันทําให้เราเนี่ยไม่กลับเข้าไปวุ่นวายในระหว่างที่เราพักมันก็จะเป็นตัวปรับสภาพจิตใจให้เรามีความสบายเกิดขึ้นได้ได้พักพอได้พักแล้วใจเรามันก็มีพลังอ่ะพลังเพิ่งขึ้นที่เราจะ กลับไปสู้กับปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นการที่เราสู้ด่าๆด ๆ, ๆๆอย่างเดียวเนี่ยพลังเราก็หมดไปเรื่อยๆแต่การที่เราสู้แล้วแล้วเราก็ได้พักเหมือนคนเราอะทางานทั้งวันไม่กินไม่นอนมันก็ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพใช่มเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือใครก็คือคนที่รู้จักว่าเวลางานก็ทางานเวลาพักก็พักเวลาจะกินก็กินแล้วเราก็จะ ฟังก์ชันในการทำงานมันก็จะทำได้ดีใจเราก็เหมือนกันใจเราถ้าเราวุ่นกับมันอยู่ตลอดเนี่ยศักยภาพใจเราก็ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นต้องพักแต่ถ้ามันจำเป็นต้องพักแล้วมันไม่ได้พักเนี่ยเวลาที่เราจะคิดแก้ปัญหาหรือว่าเราจะ manage อารมณ์ในระหว่างวันของเราเนี่ยมันจะทำได้ยากอย่างวันนี้เราอาจจะเครียด ม, มาตั้งแต่เช้าแล้ว รถก็ติดทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจตั้งแต่เช้าพอมาทํางานก็อาจจะแบบว่าพูดไม่ดีอะอยู่กับเพื่อนร่วมงานเราก็แสดงปฏิกิริยาไม่ดีเพราะว่าอารมณ์ในใจของเราเนี่ยมันมันแย่มาแต่เช้าเพราะฉะนั้นอารมณ์ในใจเนี่ยมันจึงมีผลกับพฤติกรรมคำพูดของเราด้วยถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเงี้ยแน่นอนเราก็พูดพูดไม่ดีพูดไปก็ไม่ได้พูดทําให้ สมักสมาสมครคีพูดไปไม่ได้ทำให้จิตใจของคนฟังรื่นเริงบันเทิงถ้าเราหมุนหินเนี่ยแน่นอนคำพูดเราเนี่ยมันต้องสร้างความคุนบัวให้กับคนรอบข้างได้มากกว่าแน่นอนแต่กับกันถ้าเรามีวิธีที่เราจะปรับสภาพอารมณ์ของเราใช่ไหมเรารู้ว่าวันนี้เจออะไรไม่พอใจแต่เช้าเลยเจอหลายๆเรื่องแต่เราก็ไม่เอาใจไปผูกกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้ว ไม่เอาใจเราไปย้ำคิดย้ำทำกับไอ้เรื่องที่มันไม่น่าพอใจเราสลัดออกมาแล้วเราก็มาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจแน่นอนว่าอารมณ์ที่ที่มันจะย้อนกลับไปเรื่องอดีตให้มันหงุดหงิดแล้วมันก็มาอุ่นกินอุ่นซ้ำทำให้ใจเราหงุดหงิดได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ลดทอนกำลังลงไปพอเรามีเครื่องอยู่ที่ดี ในเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอิทธิพลกับใจเรามากเพราะมันไม่มีอิทธิพลกับใจเรามากเนี่ยสักหน่อยมันก็ลืมไปแล้ะมันก็ผ่านไปพอผ่านไปใจเราก็ก็กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมพร้อมที่จะลุยงานพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะบริหารจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างดีพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอย่างนี้เพื่อที่ทําให้ใจของเรามีศักยภาพที่ดีขึ้นได้นะมันก็ต้อง มีเครื่องฝึกเราต้องฝึกนะคือเราเข้าใจทางความคิดทางความถูกต้องตางตรรกะอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอแต่ก็เป็นเบื้องต้นที่ดีที่เราจะสร้างกำลังใจให้ว่าเอออันนี้มันดีจริงนะถ้าเรามีเครื่องอยู่ให้ใจแล้วใจเราจะเป็นใจที่มีคุณสมบัติ ป้องกันความทุกข์ได้สร้างความสุขให้กับตัวเองได้ดีขึ้นได้พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอารมของเราให้มันมีความสุขมากกว่าความทุกข์ได้แต่ถ้าเราหยุดอยู่เพียงแค่ฟังจำอันนี้ยังไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเราหิวข้าวอะเรารู้ว่าเออถ้าเราไปร้านอาหารเราสั่งอาหารแล้วเราตักข้าวใส่ปากเคียเค้ยวเคยวเียวแล้วก็กลืน สักพักหนึความหิวมันก็จะหายไปอันนี้มันแน่นอนเป็นตะ ก, การที่เราไม่เถียงไม่เถียงกับใครไม่เถียงกับตัวเองทั้งนั้นว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่เราก็ยังไม่ได้พาตัวเองไปที่ร้านอาหารไม่ได้พาตัวเองไปอยู่หน้ากับกับอาหารแล้วก็ไม่ได้ตักมันใส่ปากเราความหิวมันก็ยังปรากฏอยูม่มันเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นอกเหนือจากความเข้าใจทางความจาทางความคิดทางด้านตากะแล้วเนี่ย ก็คือการลงมือทาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราอะพุทธเจ้าก็จึงบอกว่านอกจากจะเป็นปริยัตคือการศึกษาจากการเรียนรู้จากการฟังจากการอ่านก็แล้วเนี่ยต้องมีปฏิบัติด้วยปริยะตปฏิบัติพอปริยะตปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้มันเป็นปฏิเวทก็คือทาให้มันเห็นผลจากการที่เราเอาไปใช้ไปใช้แล้วมันได้ผลอย่าง ที่มันควรจะเป็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักจิตใจรู้จักที่จะบริหารจัดการกับจิตใจในเบื้องต้นเนี่ยก็คือทําความสงบให้มันเกิดขึ้นสัหน่อยหนึ่งก่อนรู้จักที่จะทําความสงบใจเพื่อที่จะเติมพลังให้กับใจของเรา เ, เราลองดูสิว่าทําแล้วเนี่ยมันได้ผลแบบไหนบ้างแล้วถ้ามันได้ผลดีอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางแนวเอาไว้ให้เนี่ย มันดีจริงแบบที่เขาเขาทํากันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการที่เราเห็นเห็นคนอื่นเขาทําใช่ป่ะเราก็เขาทําได้ดีเราก็เรียกว่ามันเป็นการสร้างกําลังใจให้เราว่าไอของของเนี่ยมันดีจริงใช่ป่ะคําสอนนี้มันดีจริงทําแล้วมันก็มีคนทําแล้วได้ผลจริงเนี่ยมันก็สร้างกําลังใจให้เราว่าเฮ้ถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันต้องได้ผลดีเหมือนกันซึ่ง บางครั้งเนี่ยเราเวลาเราทําไปทําไปเนี่ยมันก็เหมือนอธิต่านะั้นมันคนหัดขี่จักรยานใหม่ๆอ่ะแรกๆเรา ก, ก็ขี่ๆไปมันก็ล้มเป็นธรรมดาแต่เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนปั่นจักรยานปั่นได้แน่นอนคือไอ้เครื่องไม้เครื่องเหืออันเนี้ยมันทําได้แน่นอนแต่เรายังทําไม่ได้แค่นั้นเองเพอเราทําได้แล้ว เ, เริ่มทรงตัวได้เราเริ่มขี่ได้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเออไอ้สิ่งที่ เขาว่าเนี่ยแล้วก็มันทาได้มันทำได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่ไม่ท้อถอยไม่เสียกำลังใจเพราะฉะนั้นพระพุทธคือคนที่รู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นเหตุของความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์แล้วก็แจกแจงแล้วว่าเหตุของความทุกข์เป็นอย่างนี้เราไม่ควรทำเหตุของความเจริญ คือทางของอริยมรรคม่องแต่น้อยทำแล้วก็มีผลก็คือพระธรรมก็คือควของพระธรรมก็คือความสุขที่มันมากขึ้นความทุกข์ที่มันค่อยๆลดลงไปลดลงไปลดลงไปจนสุดท้ายปลายทางก็คือว่าเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีความทุกข์อีกแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความทุกข์กายนะทุกข์กายพรพุทธเจ้าก็ยังป่วยได้เหมือนกันแต่เราจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจได้อยู่ตลอด เป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์ใจอีกแล้วความทุกข์ใจที่มีก็จะไม่กลับกลับมาเริขึ้นมาอีกอันนี้คือผลของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ให้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันทำให้เรามั่นใจได้ ว, ว่าเพราะว่าถ้ามันมีแต่คำสอนแล้วใช้ได้เฉพาะกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าพนทุกได้อย่างเดียว อันนี้มันเป็นคําสอนที่อาจจะยังไม่จริงเท่าไหร่แต่พอมีคนก็คือผู้ที่เอาคําสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แล้วเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ได้ผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเป็นด้วยมันก็ทําให้เรามั่นใจเลยว่าถึงตอนเนี้ยเรายังปฏิบัติแล้วมันยังไม่ได้ผลดีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าว่าไว้เนี่ยแต่มันมีคนทําแล้วมันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทําไปมันต้องได้แน่นอน แล้วก็พยายามสอบทวนว่าเออไอสิ่งที่เราทําเนี่ยทาถูกกี่เปอร์เซนต์ตรงไหนที่ยังต้องปรับปรุงอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าจะบอกว่าการที่เราย้อนกลับมาดูที่ลมหายใจใครๆก็มีลมหายใจใช่ไหมใครๆก็รู้จักนึกพดตัวเปลี่ยนแต่ก็ไม่ใช่คนที่เ อ, อ่อนึกถึงพุโทโธดูลมหายใจแล้วจะสงบได้ทุกคน เพราะันแม่ก็จะมีคนที่ทําถูกและคนที่ทําเกือบถูกแทนเราต้องเป็นยกระดับจากคนที่ทําเกือบถูกเนี่ยให้มันเป็นคนที่ทําถูกด้วยเพราะเราทําถูกมันจึงจะได้ผลจากการที่เราทําถูกแต่ถ้าเราทําเกือบถูกผลที่ได้ของการทําเกือบถูกก็คื อ, อยังไม่ดีพะฉงนั้นการที่เราจะมาดูลมหายใจอยู่กับพุทโธเปลี่ยนจากเกือบถูก เป็นถูกเนี่ยก็คือความตั้งใจของเรานี่แหละพดังนั้นคนที่ทําที่มันเกือบถูกเนี่ยก็คือเขาสัตแต่ว่าทําไปเองนั่นไงแบบนั้นแหละเหมือนกับว่ามันเราสวดมนต์เนี่ยพอเราสวดมนต์ใช่ป่ะสมมติเราเริ่มที่จะสวดทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะพอสวดวันแรกเนี่ยความตั้งใจมันเยอะก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่พอเริ่มสวดวันที่สามวันที่สี่ไปแล้วเนี่ยแน่นอนแหละมันมีความเคยชินเพราะมันมีความเคยชินเนี่ยใจเรามันจะแวบออกไปข้างนอกแล้ว สวดก็สวดไปตาก็ดูไปแต่ใจเราเนี่ยมันไปพะวงกับเรื่องงานบ้างแหละไปพะวงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแหละเอ้ยวันนี้ไอ้นี่มันด่าเรานะมันก็ยังใจเรามันขโมยเนี่ยกไปได้ถ้าเทียบกับวันแรกเนี่ยวันแรกเราจดจ่อเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นคุณภาพของวันแรกเนี่ยมันก็จะดีกว่าวันท้ายวันหลังๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันทําให้คุณภาพมันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยก็คือความใส่ใจความตั้งใจ ในการงานของเราเนี่แหละว่าเรามีความประนีตในการทํางานทางด้านจิตใจของเราเนี่ยไหมถ้าเรามีความประนีตมันก็จะได้ผลที่ดีอย่างเราดูลมหายใจเนี่ยเราดูไปสักห้านาทีมันก็ยังดีใช่ไหมพอเริ่มนาทีที่สิบเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเผลอไปคิดเยอะและ้วทำไม่ก็เผลอแบบเผลอไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือไม่ก็เผลอเข้าไปแบบว่าหลับไปเลยก็มีพะให้ความประนีตของเรามันจะลดลงลดลงลดลงหรือถ้าเรายังคงสภาพในความประนีตในความใส่ใจในการทำงานทางด้านจิตใจของเราเนี่ยอย่างเช่นเราดูลงหมายใจหรือเราเนื้อพุโทโธเนี่ยเราคงความตั้งใจเราคงความใสใจของเราให้มันต่อเนื่องรักษาระดับความตั้งใจของเราให้มันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพ ของผลความสงบเนี่ยมันก็อยู่ไปเรื่อยๆได้เพราะนั้นในระหว่างวันของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีเครื่องอยู่ที่ดีแล้วก็สภาพจิตใจสภาพอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะเสถียรมากกว่าซึ่งบางคนเนี่ยพอเราทําไปแล้วในสักพักหนึ่งเนี่ยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เ, เนี่ยเราก็มันจะมีอ่ะเคสแบบบางเคสเนี่ยเอ้ย hey, ฉันก็ปฏิบัติทำนะทําไมฉันไม่รู้สึกว่ามีอะไรดีขึ้นกับ ชีวิตเลยฉันก็ไม่ได้มีความสุขทางด้านจิตใจเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนที่ทําถูกกับคนที่ําเกิดถูกเนี่ยภาพลักษณ์มันเหมือนกันคือทําเหมือนกันแต่บางคนทําแล้วมันดีก็คือเขามีความตั้งใจมีความใส่ใจคือทามันถูกจริงๆแต่คนที่ทําแล้วใจขโมยหนีไปบ้างแบบที่เราไม่รู้ตัวนะ มันก็ได้ผลไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอเราทําแล้วมันบางครั้งเนี่ยสมมติทําใหม่ๆอะ่ะร้อยครั้งมันอาจจะตีสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็สร้างความมั่นใจให้เราหน่อแหละว่าเราเออมันดีจริงนะแล้วพอทำไปเรื่อย ๆ, ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่า ไ, ไม่ทาไมมันไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากร้อยครั้งมันเริ่มกลายเป็นสองร้อยครั้งมันจะดีสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือว่า ตัวล่อหลอก อ, อยู่ในการปฏิบัติของเรามันจะมันชัดเจนขึ้นอย่างเช่นเวลาเราทําไปแล้วเนี่ยเราบอกเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแต่ จ, จริงๆแล้วเนี่ยใจเราขโมยหนีไปกับความอยากอยากให้มันดีเหมือนครั้งครั้งเก่าที่เราเคยเป็นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เราพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยแต่ใจมันไม่ได้อยู่กับพุทโธแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเราอยู่กับพุทโธนะมันหลอกเราอยู่ มันก็จะมีเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราก็ต้อง ค, อ ค, อค่อยเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ในการฝึกในการปฏิบัติของเราพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็ย้อนกลับมาตรงนี้ว่าเฮ้ยเราทําไปทําไ ม, ไมก็คือเราจะทําไปเพื่อเราจะมาพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นมีความสุขที่มันมากขึ้นมีความทุกข์ที่มันลดลงแล้วก็มีช้อยส์ในชีวิตที่มันมากขึ้นเพราะว่า วิธีหาความสุขในแบบของเราใช่ไหมในแบบปกติเนี่ยที่เรามีก็คือว่าเรายังต้องพึ่งอะไรพึ่งตราทัศน์พึ่งเพื่อน พ, พึ่งคนรักเหล่านี้ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หนึง่งรเปอมันก็จะมีความเสี่ยงในการที่เราจะโดนมันเล่นงานถ้าเราไม่ได้มันตามที่เราตั้งใจไว แต่ในอีกประตูนหนึ่งที่พระพุทธเจ้านำเสนอก็คือว่าเราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราย้อนใจเรากลับมาอยู่ที่ในภายในย้อนกลับมาอยู่ที่พุทโธย้อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอันก็เป็นวิธีการหาความสุขอีกหนึ่งออปชันที่เราจะมีได้เราไม่ต้องพึ่งข้างนอกแต่เรามาพึ่งตัวเราเองพึ่งจิตใจของเราเองให้จิตใจเรา ม, มันไม่วุ่นวายกับเรื่องข้างนอก แล้วเรามาอยู่กับลมหายใจเราก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบประงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกไปแล้วเราก็จะมีข้อเปรียบเทียบด้วยว่าเวลาที่เรามีความสุขแบบเก่าความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นความสุขลักษณะแบบนี้เวลาที่เราสงบประงับจากรูปเสียงกลิ่นรสัมผัสมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธแล้วเนี่ย มันเป็นความสุขแบบนี้เราก็จะค่อยๆเปรียบเทียบด้วยว่าไอ้ความสุขแบบไหนเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรแต่แน่นอนว่าเชื่อมันได้เลยว่าเวลาที่เรามีความสุขจากความสงบระงับตาหัวจมูกลิ้นกายสงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้แล้วเนี่ยใจเรามันจะบอกได้เองว่าไอ้ความสุขนเนี้ยมันดีกว่าสบายกว่าแล้วก็เป็นความสุขที่มัน ละเอียดประณีตกว่าความสุขแบบเก่าเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมตามคําสอนที่พระเจ้าทิ้งไว้ให้เนี่ยก็ผู้ดได้ว่ามีประตูความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบานนอกจากบานปกติที่ที่เรามีแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขอีกบางหนึ่งที่เรียกว่าความสุขในภายใน ความสุขที่สงบประทับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นเราก็หาได้ทั้งสองอย่างเพราะมีประตูสองบานะประตูนี้เราเปิดไม่ได้เราก็มาเปิดอีกรประตูหนึ่งเพราะนั้นความสุขในชีวิตของเราเราก็กว้างขวางมากขึ้นมากขึ้นกว่าที่เราอยู่แบบเก่าคือแบบเก่าเราก็มี choice choice เดียวประตูบานเดียวที่เราจะหาความสุขได้แต่พอเรามาทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มี choice เพิ่มขึ้นมีประตูอีกบานหนึ่งเพิ่มขึ้น เป็นประตูแบบแรกก็น่าจะใช้คาว่าเป็นความสุขแบบที่มันยังวุ่นวายอยู่วุ่นวายไปกับเรื่องข้างนอกอยู่ยังต้องวุ่นไปเที่ยวมืงนอกบ้างยังต้องวุ่นไปร้านอาหารตรงนั้นบ้างยังต้องวุ่นไปกับคนคนนี้บ้างนี่นะแต่อีกประตูประตูอีกบานหนึ่งก็คือประตูที่เราเป็นความสุขที่รเรียกว่าเป็นความสุขแบบไม่วุ่นวาย คือไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องไปวุ่นวายกับร้านอาหารไม่ต้องไปวุ่นวายกับโรงนรมไม่ต้องไปวุ่นวายกับ YouTube Facebook ไม่ต้องไปยุ่นกับคนนั้นคนนี้พอมันไม่วุ่นมาอยู่กับตัวเองอยู่ได้มันก็เป็นความสุขแบบที่มันไม่วุ่นวายเพราะฉะนั้นเราก็จะมี c h o i c e เพิ่มขึ้นนะความสุขแบบวุ่นวายเราก็หาเป็นความสุขแบบไม่วุ่นวาย เราก็หาได้เพราะฉะนั้นความสุขของเรามันกว้างขวางขึ้นไหยกตัวอย่างนคนสุบุรีะคนสุบุรีนะเขาก็จะมีความสุขเฉพาะตอนที่เขารู้สึกแบบในสุบุรีอะแต่คนที่สุบุรีเนี่ยแล้วเลิกสุบุรีได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าความสุขเขามันกว้างขวางขึ้นเพราะเขาไม่ต้องพึ่งพาบุรีเข้าใจไหม พอเขาจะต้องพึ่งพาความสุขจากการที่เขาสูบบุหรี่อย่างเดียวเนี่ยความสุขมันเลยดูคับแคบไปแต่ถ้าความสุขพอเขาเลิกบุหรี่ได้ใช่ไม่มเขาอยู่ตรงไหนเขาก็มีความสุขได้เพราะเขาไม่ต้องพึ่งบุหรี่เขาก็หาความสุขในแบบที่เขาเป็นได้ฉะนั้นากนั้นถ้าเรามีวิธีที่เราจะทําความสงบประงับไม่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบระงับรูปเสียงกลิรสสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในภายในของเรา แล้วเราก็เป็นผู้ที่กว้างขวางในวิธีการหาความสุขมากขึ้นกว่าคนทั่วทวไปแล้วก็พูดไปนักเยอะแล้วลองทําดูสัหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยนะมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจของเราแล้วก็สังเกตดูวนะ่าลมหายใจของเราเนี่ยมันเข้า มายังไงออกไปยังไงเวลาที่ลมหายใจมันกระทบจมูกของเราเนี่ยมันกระทบจมูกของเราตรงไหนบ้างต้นจมูกกลางจมูกปลายจมกูกหรืออะไรยังไงเราก็สังเกตทนี้ถ้ามันยังไม่ชัดเราลองหายใจลึกๆสักสองครั้งสามครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นมันชัดขึ้นแล้วว่าเมื่อลมหายใจของเรานะมันกระทบจมูกเราตรงนี้ชัด เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็เอาใจของเราเนี่ยไปตั้งเอาไว้เอาใจของเราไปตั้งไว้หมายความว่าเอาความใส่ใจของเราเนี่ยไปจดจ่อไว้ตรงนั้นแต่ทีนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องตามลงไม่ไหนเราก็มีหน้าที่แค่เฝ้าดูลมที่มันกระทบจมูกของเราแล้วก็ไม่ต้องบังคับลม ลมมันจะเข้าลมมันจะออกมันก็เข้าออกตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเรามีหน้าที่คือคอยดูคอยสังเกตเฉยๆเพื่อยงยคือเอาความคิดพุ่งสร้างต่างๆเนี่ยสลัดออกไปแล้วก็ความจดจองเราก็กลับมาอยู่ตรงที่เห็นลมมันกระทบจมูกของเรา แน่นอนแหละถึงเราจะจดจ่อ ย, ยังไงก็ตามมันก็ต้องมีความเผลอมันจะเผลอไปคิดบ้างก็ไม่ใส่ใจเผลอแล้วก็เผลอไปย้อนความตั้งใจเรากลับมาไวท้ที่สัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกของเรามันเผลอไปก็ช่างหันมันจะเผลอไปทางเสียง ก็ช่างมหม่เราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจใหม่มันจะเหลือไปอ่อนเมื่อยหลังเมื่อยเอวเมื่อยขาอะไรก็ช่างมหมย้อนกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมดังนั้นเรามีหน้าที่อยู่แค่อย่างเดียวก็คือเฝ้าดูลมหายใจของเราส่วนถ้าใครจะหายใจเข้านึกพุโทโธไปด้วย หายใจออกหรือตัวไปด้วยก็ไม่เป็นไรทำได้เพราะสิ่งสำคัญที่เราอยากจะได้ก็คือความใส่ใจความตั้งใจของเราที่มันจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจความใส่ใจความตั้งใจที่ที่เราอยากจะได้เนี้ยราเราก็จะคุ้นเคยกันในที่เขาว่ามีสตินะั่นแหละมีสติ ที่เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกแต่การที่เราเห็นลมหายใจเข้าเราเห็นลมหายใจออกแต่ความจดจอ่อความตั้งใจของเรามันเลื่อนลอยออกไปไปอยู่กับเรื่องอื่นเนี่ยมันก็คือคิดชื่อว่าสติของเราเนี่ยมันยังไม่มีคุณภาพแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความจดจอ่อในการระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ด้วยเนี่ย สติของเรามันก็จะมีคุณภาพเป็นสติที่มีคุณภาพสติที่มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงคือเราที่เราฝึกอันนี้ก็คือฝึกสตินะพอพูดถึงว่าเรามาฝึกสติเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ว่าเราปกติเราไม่มีสติหรือยังไงปกติอ่ะคนเรามันก็มีสติอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่า ในสติตามปกติเนี่ยมันเป็นสติที่มันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความหน่ายความใคร่กำนัลไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้พ้อมไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพานมันเป็นสติที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นตีดมั่นว่าอันนี้เป็นเราอันนี้ของเรานะแต่การที่เรามาฝึกแบบนี้มีสติจดจ่ออยู่กับพุทโธให้มัน เป็นจิตที่ห่างไกลจากโลภะตัวสามโมหะละคะมันจะเป็นจิตที่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกหนังเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิผ่านได้มันจะทำให้คุณภาพจิตใจของเราเนี่ยมองเห็นเข้าใจถึงความเป็นจริงที่ว่าไอเนี้ยมันไม่ใช่ของเราที่แท้นะมันไม่ใช่มีเรา อยู่ในนั้นทิ้งแท้นะมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนทิ้งแท้นะมันจะทำให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงได้ดีว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาทิ้งแท้แต่ที่มันมีก็คือมีตามสมมติมีตามช่วงเวลาของเขาเหมือนอย่างคนเราเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นคนเป็นคนอยู่ณขณะนี้เนี่ย เต็มที่ก็หนึ่งร้อยปีเท่านั้นแหละพอเกินหนึ่งร้อยปีไม่มากพอถึงคำว่าความตายมาเยือนเนี่ยเอาเข้าเตาเผาไปไอความเป็นคนก็ไม่เหลืออยู่แล้วถึงแม้แต่ร่างกายที่มันยังอยู่แต่ตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่เรียกคนแล้วล่ะเราก็เรียกศพใช่ไหมเอกศพเราก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายเนี่ยไอคาว่า เป็นเราก็ดีเป็นเขาก็ดีเป็นคนก็ดีมันก็อยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแต่ใจของเราเนี่ยเข้าใจถึงความเป็นจริงอันนี้ได้ดีมากขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนแล้วเราเข้าใจถึงความเป็นจริงไหมที่พระพุทธเจ้าก็แสดงอยู่ตลอดตลอดเลยว่าคนเดียวนี่เกิดมามันก็มีแก่เป็นธรรมดานะ มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะมีความตายเป็นธรรมดานะคนเรา่าเวลามันมีทุกข์เนี่ยก็คือโดยมากแล้วเนี่ยใจเรามันก็คานกับความเป็นจริงเหล่านี้เลยเวลาเราป่วยเราก็ไม่อยากป่วยใช่ไหมแต่พระเจ้าก็บอกว่ า, วาเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดานะร่วมความเจ็บไข้ไปไม่ได้แต่ของเราเวลาที่เราปกติ เราก็ไม่ได้คํำนึงถึงแหละ ว, ว่า้จริงๆแล้วมันมีความป่วยไข้ได้นะเป็นธรรมดาเพราเราป่วยไข้ขึ้นมาทีนึ่งเราก็ถ้าเราสังเกตดีๆเรานึกให้ดีเราจะสังเกตได้ ว, ว่าเอ้ยใจเราเนี่ยมันทุกข์ไปกับร่างกายไปด้วยแต่บางคนก็ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจก็มีแต่การที่เขาป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขายอมรับกับสภาพความเป็นจริงอันนี้ได้ใจก็เลยไม่ป่วยเหมือนคนเป็นมะเร็งเนี่ย คนเป็นมะเร็งต้องมี2เคสเคสหนึ่งทำใจได้อีกเคสหนึ่งทำใจไม่ได้เคสที่ทำใจไม่ได้ก็ทุกสองหนึ่งป่วยกายด้วยป่วยใจด้วยแต่คนที่เป็นมะเร็งแล้วก็อยู่กับมันได้ทำใจได้เขาก็มีความสุขในชีวิตได้ใช่ไหมก็ไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นดูก็ยังมีจิตใจที่มันเบิกบานมีความสุขในชีวิตอยู่ได้แต่กับคนที่ยอมรับไม่ได้เนี่ยแน่นอนเลยชีวิตมันก็ห่อเหี่ยว ดูหมดอะไรตายอยางไปหมดคนรอบข้างอยู่ด้วยก็รู้สึกขนหูไปด้วยเพราะว่าเขาหมดกําลังใจเพราะมันจึงเห็นว่าเวลาที่เขารักษาใจอยู่ได้เนี่ยป่วยกายก็ป่วยไปแต่ใจก็ไม่ป่วยเขาก็มีความสุขได้ซึ่งมันก็พูดง่ายก็คือเขาก็ยอมรับความเป็นจริงตรงที่ว่าคนเราในเกิดมามันก็ป่วยไข้เป็นเรื่องธรรมดาล่วงความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้หรอก แต่ไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ยอมรับไปสมหมดก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเราป่วยเรารักษาได้เราก็รักษาไปเหมือนอยา่างที่ตาเป็นหวัดเนี้ยเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่ก็หายาหาอยู่หาย า, า, ย า, า, ยามากินบันเทากันไปจะบอกว่าไม่มันป่วยแล้วไม่ต้องรักษาก็ก็ไม่ดีหมายถึงว่ากายร่างกา ย, ยมันก็เหมือนเป็นสมบัติของเราอ่ะมันเป็นรถขับหนึ่งของเราเราก็ ดูแลมันให้ดีในระหว่างที่เราใช้งานใช่ไหมพอเราดูแลมันดีใช้งานมันดีมันก็ทำประโยชน์ให้กับเราได้ซึ่งในประโยชน์ที่มันจะทำให้กับเราได้ก็คืออะไรเรื่องหาอยู่หากินอันนี้ทำให้เรามีเงินมีทองใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องระยะปกติระยะสั้นๆแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะยาวเนี่ยเราก็จะใช้มัน ไปในทางไหนไปในทางที่เราจะหลีกเลี่ยงอกุศลสังสมกุศลสังสมบุญไม่ทำํำบาปมันก็เป็นการเติมสเสบียงของเราเนี่ยเราเติมสเสบียงบุญไปเรื่อยเติมบุญไปเรื่อยเพราะว่าหมดจากอัตภาพนี้เนี่ยเราก็ต้องไปถือครองอัตภาพใหม่ใช่ไหมเหมืนอนย่งในคําสอนเนี่ยถ้าเราผ่านคาสอนแเรวก็จะเห็นได้ว่าคนเรามันก็ไม่ใช่เพิ่ง จะมาเกิดเป็นชาตินี้ชาติแรกมันก็มีเกิดมานับกลับนับกันไม่ทั่วอยู่แล้วลมีนับอัตภาพนับไม่ทั่วพีน่ะว่าเราจําไม่ได้แค่นั้นเองว่าอัตภาพของเราเคยเป็นอะไรมาบ้างความไม่รู้มันก็ปกปิดเอาไว้แล้วมันก็ทําให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้คํานึงถึงว่าเออหมดจากอัตภาพนี้นะมันยังมีอัตภาพต่อไปนะถ้าเรามีบาปมากเนี่ยทําสังสมบาปไว้มากเนี่ย มันพาเราไปทุกขตินะทุกขติมีอะไรมีสัตว์มีรบมีเปรตมีสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานถ้าเรามีบาปมากเนี่ยสั่งสมบาปอกุศลไม่มันเนี่ยหลังจากเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไปพบภูมิที่มันเป็นทุกขติแบบนี้หมายถึงว่าเป็นภูมิที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขแต่ถ้าเราไปาในสุขติเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆสั่งสมบุญไว้เยอะ พอเราบวจากอัตภาพนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ไปสุคติได้สุคติมีอะไรมีมนุษย์มีเทวดามีพรสำหรับคนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ย mm. ก็พยายามพยายามรักษาให้เรายังอยู่ในสุคติอันนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าเราตกไปอยู่ในภูมิทุกติมันมีทุกข์มากนะค่าเฉลี่ยก็คือมีทุกข์มากกว่าความสุขแต่อย่างในมนุษย์เนี่ยเราก็จะถ้าเราเปรียบเทียบมนุษย์ เขาไม่ต้องเอเปรียบเทียบมนุษย์ด้วยกันเลยแหละคนที่มีความสุขมากคือคนที่อยู่นอกเรือนจำใช่ไหมคนที่อยู่ในเรือนจําก็คืออยากกินทำไมได้อยากกินอย่างนี้ก็ได้กินอีกอย่างหนึ่งกินก็เป็นเวลานอนก็เป็นเวลาเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้โดนใครบังคับบังคับบังคับอะไรมากเนี่ยอยากกินอะไรก็กินอยากนอนตอนไหนก็นอนมีอิสระเพราะฉะนั้นมันเป็นภลุ่มที่มีความสุขมากกว่า ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสัตว์นรกที่เขาจะต้องโดนจองจําเนื่องจากผลของบาปอกิอกสุจนที่เขาเคยสั่งสมมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ ว, ว่าภูมนุษย์นีม่มีความสุขกว่ามากไม่ต้องไปดับเทวดาแล้วก็พรลงนะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเราสั่งสมบุญไว้มากเราก็อยู่ในสุคติภูมิมาอยู่ในภูมิมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่ทํา บ, บุญก็ได้บุญ เลือกได้ที่เราจะทำบุญก็ได้เลือกได้ที่เราจะทำบาปก็ได้ดังนั้นเราก็อยู่ในภูมิที่เราสามารถเลือกได้ที่เราจะทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได uh ้แล้วเนี่ยก็พยายามเลือกที่จะสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเพื่อเป็นเสบียงกันเหนียวที่เราจะไม่ตกไปอยู่ในภูมิที่เป็นทุกขติมีทุกข์มากกว่าความสุขแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนอกจากที่เราจะสั่งสมบุญแล้วเนี่ยเราก็ควรจะสะสมความรู้ความเข้าใจ ตามความเป็นจริงของโลกใบนี้ไปด้วยเพื right ่อที่จะคลายความยึดมั่นคลายความถือมั่นแล้วก็ละเหตดจากการที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารนี้ไปอีกเพราะนั like, ้นการที like really, in ่เราจะหลุดออกจากวัฏะการเวียนว่ายตายเกิดเกิดตายเกิดตายเหล่านี้อีกก็คืออะไรก็คือการที่เราเข้าใจในในวงจรของมันว่า มันเป็นอะไรกันแน่ไม่ใช่เข้าใจตามตามแบบที่เขาว่ามาแต่เข้าใจในแบบที่มันเป็นจริงๆตามสภาวะของมันจริงๆมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะหลุดออกจากไอ้วงจรนี้ไปได้หลุดได้จากความเข้าใจเราเนี่แหละเพราะการที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยมันทำให้เรามีความผูกยึดผูกติด ที่พระวุทเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยมันยังมีตัณหามีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่นอยู่มันก็ทำให้เรายังมีเชื้อของความเกิดที่เรายังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อีกในการที่เรามีสติตั้งมั่นดีแล้วแล้วก็มีใจที่มันเป็นกลางมีกําลังแล้วก็คอยที่จะนาคำสอนมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้มันเข้าใจไม่ใช่เข้าใจที่สมองนะ เข้าใจลงไปในเป็นความรู้สึกในใจของเราคือใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าเกิดมามันต้องแก่ต้องตายอะ่ะแต่ใจเรามันรับได้ไหมว่าเฮ้ยเราจะแกะ่เราจะตายอย่างเงี้ยนะเราจะป่วยอะไรเงี้ยซึ่งพอเราป่วยจริงๆอ่ะใจเราก็รับไม่ได้นะว่าเราเฮ้ยมันป่วยเราไม่อยากป่วยย่เี้มันค้างกับความเป็นจริงมันก็เป็นทุกข์ในใจเราเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคำสอนอันนี้ยมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาเนืองๆให้มัน ซึ้งเข้าไปในใจของเราเปลี่ยนความคิดความเข้าใจทางความคิดให้มันเป็นความรู้สึกในใจของเราอันนี้มันจะจริงจะแสดงให้เห็นว่าเราได้เอาธรรมะไปใช้อย่างมีประสิท ธ, ธิภาพจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนั่นแหละถ้าใจเราทุกทุกเพอะไรทุกทุกเพราะเราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงอันนี้คือรวบยอดอไปเลยนะทุกเพราะเรายังไม่เข้าใจความเป็นจริง แล้วเราก็ต้องพยายามพยายามทําให้จิตใจของเราเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเรายังไม่ได้พิจารณาอะไรยังไม่ได้ถอดถอนอะไรอ่ะยังไม่น้อยเราก็หาวิธีทําใจให้มันสงบทําใจให้มันไม่วุ่นวายไปกับเรื่องวุ่นวายข้างนอกซะ ก, ก่อนอันนี้ก็เป็นเบื้องตน้นแต่ถ้าใจเราสงบแล้วใจเราไม่ไม่วุ่นวายแล้วเนี่ยเราก็อย่าพอใจแค่นี้เอาใจที่มันสงบเอาใจที่มันไม่วุ่นวายเนี่ย พิจารณาคำสอนให้มันเห็นตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงเอาไว้ว่าอะไรบ้างง่ายๆก็คือง่ายๆก็คือว่าถ้าดูมันเยอะเหลือเกินก็เอาแค่นี้ก็พอเห็นว่ามันสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยมันเดินหน้าไปสู่ความแตกสลายของมันจริงไหมตัวเราเนี่ย มันจะเดินหน้าไปสู่ความแตกสลายจริงไหมเพื่อนเราหรือแม้แต่อารมณ์ในใจของเราเนี่ยมันเที่ยงมันตั้งมั่นมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่สลายไปจริงไหมถ้าเราเห็นเรื่องต่างๆอย่างนี้ได้แค่นี้ก็พอแล้วมันก็ทำให้ศักยภาพในจิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นมีศักยภาพที่มันจะต่อต้านความทุกข์ได้ดีขึ้นแน่นอน เพราะเราเข้าใจที่ใจของเราว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงหรอกอะไรอะไรมันก็ไม่ยั่งยืนแม้แต่ความสุขที่มันมีอยู่ในชีวิตของเราที่ Cond ว่าว่ากำลังดีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่เที่ยงหรอกหรือแม้แต่ความทุกข์ที่มันกาลังกุ้มรุมเราอยู่ตอนนี้มันก็ไม่เที่ยงหรอกมันก็คลายตัวลงไปได้บ้างหรือแม้แต่มันก็สลายตัวไปได้ด้วยนั้นที่เราจะเห็นอย่างนั้นได้เนี Whew ่ยื้าก็อยู่ที่ เรามีความสงบใจก่อนดังนั้นก็อาจจะรวบทุกอย่างที่มีเอามาอยู่ในแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงกม็คงจะไม่ไหวพดัะนั้นเอาไอ้ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเป็นจุดที่เราจะสร้างกำลังใจให้เราไปในทางที่มันเป็นทางแห่งความดีที่พระเจ้าแสดงเอาไว้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยให้เรามีที่อยู่ให้ใจของเรานะให้ใจของเราเนี่ยหลีกไกล ไกลออกจากอากุศลทั้งหลายโดยย้อนกลับมาอยู่ที่พุทโธย้อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจใจเราจะได้ห่างไกลาจากโลภโกรธหลงเกลียดอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นฝ่ายอากุศลย้อนกลับมาอยู่พอเราไม่มีอกุศลเนี่ยมันก็เป็นกุศลอยู่ในใจอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าที่เราสวดสวดมนต์กันนะ่ะพระอระหันตนะ์น่ะ ท่านสวดว่าท่แปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะก็คือกิเลสมันก็มีแหละแต่ท่านก็ห่างไกลาจากกิเลสแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ห่างไกลาจากกิเลสเราจะได้เป็นขึ้นอชื่อว่าเป็นผู้มีทางเดินไปสู่ความเป็นอรหันต์นะเป็นผู้ไกลจากความทุกเป็นผู้ไกลจากกิเลสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทําให้ใจของเรา่ห่างไกลาจากโลภะตัวสามโมหะราคะ โดยการที่ย้อนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจย้อนกลับมาอยู่กับพุทโธให้ได้อย่างมีคุณภาพอยู่เรื่อยๆทําอะไรแล้วก็นึกพุทโธได้เข้าห้องน้ำกินข้าวอาบน้ําแล้วก็นึกพุทโธไปได้เพื่อที่จะไม่ปล่อยให้ใจของเราไปคิดฟุ้งซ่านไม่ไปคิดเรื่องต่างๆนานาที่มันทําให้เจอเราซ่อมหมอนขุนมัวหรือว่ามีความหลงเพลิดเพลินไปกับรูปรบบดินเสียงสัมผัส เราก็เก็บเอาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับมาไว้ที่พุโทโธมาไว้กับลมหายใจทําได้แค่นี้ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยมีพัฒนาการทางด้านจิตใจของเราอีกทีหนึง่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ทําอยู่บ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆทำอยู่เนืองแล้วมีโอกาสก็ค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีหนึง่งว่าเราจะทํายังไงเราต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างอย่างว้นในน้อยวันนี้ก็ น่าจะทำให้รู้สึกว่าเราควรจะต้องมีที่อยู่ทางใจมีเครื่องอยู่ให้ใจที่ดีให้ใจเพื่อที่จะเราจะได้มีประตูสร้างความสุขอีกบานหนึ่งที่มันเป็นความสุขที่ไม่วุ่นวายให้กับจิตใจของเรานอกจากจะหาความสุขแบบวุ่นวายแบบเก่าได้แล้วนะเราก็จะมีประตูอันนี้ที่เรียกว่าความสุขแบบไม่วุ่นวายให้กับชีวิตของเราเป็นทางเลือก เราก็จะได้เป็นผู้ที่มีความสุขในใจมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีความทุกข์ในใจลดลงลงไปเรื่อยๆแล้วันนี้ก็น่าจะพอกแค่นี้ก่อน